ที่สารุทธน์อนันอย่างนั้นในทางทีเนี่ยผมเป็นนิสัยในเจ้าไปหลายโลกผมก็เป็นเห็นว่าพุทธลูกพระต่างๆบางทีแม้แต่ครูบาอาจารย์น่ยใจนก็แป๊บไปคิดกับท่านในทางที่เป็นอักขุนตนก็แป๊บก็แป๊ก็แ๊บแปบแต่ก็รู้ตัวตลอดเราก็ไม่ทำไง้องจากมกมาก่อนมมโหมันมีตัวเองมากเลยว่าทำไมแม้แต่พุทธลูกที่เห็นเราก็ชอบไปคิด ทำไมปั้นอย่างนี้ปั้นไหนสวยหน้าแบนด์มั่งตัวแบรนด์มั่งอะไรปั้นไม่ได้สัดส่วนมั่งอะไรเงี้ยเราก็เขาจะไปว่าท่านแล้วขึ้นมาแต่ละารู้ทานแต่มันก็หงูหงิดเลยที่มันแวบแต่ก็ลุโท่าทาตลอดแต่ก็หมุดแก้แวบอันเนี้ยผมก็เข้าใจผิดมานานจนกระทั่งมีวันหนึ่งเนี้ยผมก็ไปแวบแวบแมันจะคิดแวบแวกไปทางอาุตตร์ตอลุงโปทาก็เลยก้มกศอกก้มศอกกองมาลุงโปทา ผงฝากของมาท่านว่าไอที่ผมคิดแวบๆๆอะไรในทาวที่เป็นอกุศลต่อท่านนะี่ยขอหลวงปู่ทรงเมตตาให้เอาพฤติกรรมจะได้เป็นโทษแบบเวียนไฟต่อกระผมเลยนี่หลวงปู่ท่านรู้ความคิดรู้อารมณ์รู้ว่าราจิตของของคนอื่นอยู่นะ้วท่านก็เลยกล่าวขึ้นว่าไอความคิดแวบๆนั่นนะ่ะไม่ได้เป็นทีเลสตัณหาอะไร แต่ที่เราเอามาคิดวิตกกังวลว่าความคิดเหล่านั้นน่ยไม่ดีเป็นอกุศลเป็นบาปเป็นกรรมคิดไม่ดีกับหลวงปู่ครูบาอาจารย์อย่างนี้ได้อย่างไรอันเนี้ยกําลังสร้างกิเลสตัณหาความคิดหลังเนี่ยเป็นกิเลสตัณหาความคิดแรกก็จะเป็นกิเลสตัณหาอะไรอย่ากึกกองอย่าวิตกอย่ากังวลไปเพราะมันจะเป็นกิเลสตัณหาไม่จบสิ้นอันนี้ครับตลอดเลยค่ะอันนี้เป็นกิเลสครับ ไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมเรากาลังจะคิดสิ่งที่ดีแตาทำไมบางทีพวกนี้เราไม่เคยคิดอยู่ในชีวิตประจำะวันเลยท่าัเปแเข้ามาตลอดเวลาไม่คิดว่าเอ๊ะราทอะไรจะตไปงิที่ีเราหรไฟังสิ่มดนมอกศึกษาพวกนเราก็พยายามจะโต้เขาเอาว่าเราจะไปคิดอะไรก็ไม่ได้คิดใช่เพราะว่าเราอย่างนี้เขาเรียกว่าปิดดีปิดดีเฉพาะว่า เราพยายามทีื่อทาสิ่งที่ดีจะพูดดีคิดดีแต่ที่เราพยายามเนี่ยแหละมันก็เลยติดดีเพราะมันแวบไปในสิ่งที่ไม่ดีเราก็เลยรู้ทันตลอดพอเรายิ่งเรารู้ทันเราก็ยิ่งหงุดหงิดเราก็ยิ่งหงุดหงิดตลอดเราก็เลยทนทุกข์ไม่ได้แล้วเจีตจะหลังเนี่ยห้องปู่ชั้นว่าเดี๋ยวมันคิดแฝดแฝดแฝดแฝดมาน่ยรู้ทันกันแล้วไปแล้วไปแล้วไปไม่ไปโทษบาปเป็นไปอะไรไม่ต้องไปขีดอะไรมันเป็นความที่ว่า แต่นิสัยอุปนิสัยของแต่ละคนเป็นมาไม่เหมือนกันก็จะได้เป็นกิเละไรแต่ถ้าเราไม่รู้ทันเราตามใจเราก่อนคิดไปหรือพูดออกไปก็มีภาพวิจารณออกไปอย่างนี้เป็นกิเลสตัณหาแต่ถ้าเรารู้ทันแวบแวๆๆๆจะเป็น <tr> ก <g> ิเลสอะไรแต่ถ้าเราไปยึดตกกองบนว่าเราไม่น่าคิดอย่างนั้นเลยอย่างนี้แหละเป็นกิเลสตัวหลังเป็นกิเลสตัวแรกไม่เป็นเลยเข้าใจนี้ก็เลยสบายใจมันก็เลยพ้นจากทุกตรงนั้นไปได้ ในนั้นเราก็ปิดดีมากเกินไปเราพยายามที่ว่าจะให้มันดีไปหมดทุกอย่างจะให้มันคิดกระตากอัุศดไม่ได้เลยกลายเป็นความทุกข์ความเครียดมากเลยแต่มันมันมันคิดแล้วก็แล้วไปแล้วไปเรารู้ทันกันแล้วไปรู้ทัแล้วไปแล้วไปรู้ทันเราไปแล้วไปรู้ทันแล้วไม่ได้เป็นกิเลสตถาอะไรแต่ที่เราเก็บมาวิตกตรงบนย้อนหลังเนี่ยเอามาําซ้อนอีกทีอย่างเงี้ยเป็นกิเลสตถากับตัวเองแล้วไม่บรรลุไปได้แต่ถ้าเราตามใจก็เป็นกิเลสตถาอีก มันคิดแว๊บๆหไ่อยแล้วเราก็เราก็ปล่อยมันคิดไปแล้วเราก็พูดไปอย่างนี้ก็เป็นกิเลสตัณหาตามใจก็เป็นกิเลสกันฮะตัณหารู้ต่อสารแล้วเอามาคิดซ้อนๆก็ไม่อีกก็เป็นกิเลสตัณหาคือกิเลสตัณหาคือไม่อยากให้มันคิดแบบนั้นไม่อยากให้มันคิดแบบนี้อันนี้เป็นกิเลสตัณหา ไม่ใจ่อยากก็ไปกิเลสคือมันมันคิดมาแล้วก็อยากมันคิดอย่างนั้นไปเรืยกยตามใจไปเรื่อยพูดออกไปเลยอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็เป็นกิเลสเป็นกิเลสกัญหาไม่อยากไม่อยากให้มันคิดอย่างนั้นไม่อยากมันคิดอย่างนี้เราเครียดมากเลยไม่อยากมันคิดในทางอกุศลเลยอยากจะเป็นคนดีตลอดคิดที่ดีตลอดไอ้สมไม่อยากไม่ไหนไม่แหนไม่อยากให้มันคิดในสิ่งที่เป็นอกุศลไอ้อย่างนี้เป็นกิเลสตลอดเป็นกิเลสกัญหาตลอดเราควบคุมไม่ได้เ้าจะเครียดมากเลยดำซ้ำไม่หมดเ่ย เพราะมันกายเป็ถือคิดาไปหมดเลยนะเป็นุเป็นทุบมากะทบางทีแทบจะไม่แบบว่าไม่อยากหลับตาไม่อยากไว้ถึงถึงสิอะไรเพราะตัวแบบว่าความคิดไม่ดีไปจอว่าจะเลียกมันว่ามาอะไมาทุกมาเให้คืยกับอ้อมวาเรเลียกมันต้มาอะไรนะมาจะโกล่ไ้เลยเป็นความคิดไม่ดีอ่ะไม่จะเรียกว่านี่ละอย่าไปยึดแล้วดีไม่ดี ถ้คิดอย่างนั้นแล้วก็ทุดตายาเครียดตายเลยราเคิดไนว่าเราังเนเ่ตอเกาแล้วก็ไ่ไเหมือนไปจำรู้ไปของคนเรารู้ทนันแล้วแล้วาไม่เป็นไรหรอกรู้ทันแล้วไม่เป็นไม่เก็ <S <S บาปกรรมไม่เป็นโทษบาปกรรมอะไรพอรู้เราทันไปแล้วไ็แล้วตายรู بر, ้ทันไแล้วไปแล้วกี๋ยวไป เก็บมาวิศกรผลซ้าซ้อนตรงนี้สำคัญมากมันเหมือนแบบว่าจะไม่สําคัญแต่แล้วคนที่เปครูบาอาจารย์จี่เนี่ยตรงนี้เราปฏิบัติคนทุกไม่ได้เลยคนจํานวนมากพกมูมาปฏิบัติเนี่ยจะติดตรงนี้เยอะติดดีติ ด, ดีอยากดีอยากให้มันดีแล้วผมมันไม่ดีอย่างที่ที่ตัวเองต้องการมันไปคิดไปมีอารมณ์นในทางที่เป็นอกุศลอารมณ์จะเครียดมากซําซ้อนมากเพราะอารมณ์ปู่มาท่านเขียนไว้อยากดี อยากคิดแต่ดีๆมีอารมณ์แต่ดีๆให้เป็นคนดีให้เป็นบริสุทคิดเป็นเรื่องที่บริสุทธเป็นผู้ส่วนตลอดมีอารมณดีเป็นผูส่วนตลอดคือไม่ดีไม่ได้เลยท่านวัาเนี่ยอยากให้ดีเนี่ยเป็นพิษของจิตนะเหมือนไขหนักตูกต้องของแสลงกลัวว่าจะไม่ดีนี่ก็เป็นพิษไร้แรงกลายเป็นอยากดีกับเป็นเป็นอยากพิษของตัวเองจะได้สบายใจ จะได้ผ่านตลอดค่ันตลอดไม่ติดตรงไหนจะได้ไม่ติดไม่ติดไม่ขา ด, ด, ดที่พูดเมื่อกี้อยู่ในฐานท่านพิมพ์อยากให้ดีนี่เป็นทิศของจิตนั้นจะได้ผัานท่านพิมพใ น, นี่ดีมาของลายมือลงปู่มมาท่านเขียนเยนได้ใมือท่านแล้วมาแล้วมาถอดพิมพ์เป็นตัวตัวนี้อ่านได้เข้าใจ ม, มากขึ้นแล้วที่มันมนามธมาบ่าแล้วก็มาเรย น, นใช่แล้วก็โดยปฏิบัติแล้วก็มันมาถามื่อการหลงกันท้าง แต่ว่าให้รู้เนี่ยมีผู้มันรู้ตัวเราอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเราเนี่ยคิดอะไรมีอารมณ์อะไรแอบคิดแอบนึกแอบติดแอบตองแอบวิชาติวิจารอะไรคิดกุศลนักกุศลอะไรเป็นบุญเป็นบาปเป็นดีเป็นชั่วเป็นรักเป็นชังอะไรเนี่ยก็มีผู้มันรู้เลยตลอดเวลาเลยรู้ตัวเราเนี่ยให้รู้ตัวเราแล้วก็อย่าตามใจอย่าดำใจตัวเราให้รู้ไว้ยังงั้นเน่ยอย่าตามใจอย่าตามใจคือแอบ ปล่อยให้กระทาไปแล้วก็พูดไปหรือว่าอะไรคิดยืดยาวไปเลยอย่างเงี้ยอย่าอย่างงี้เรียกว่าสาบใจก็จะเป็นกิเลสตัณหาแต่ถ้ายัางรู้รู้รู้รู้ตัวเราแล้วแล้ ว, ลวก็ปล่อยคิตกตองผลว่าจะไม่ดีเนี่ยกลัว่าจะไม่ดีอะไรอย่างนี้ก็เป็นกิเลสตัณหาอาีกเป็นทุกข์ไม่สิ้นทุกข์ไปได้ให้รู้ตกตะวันรู้รู้ตกตะวั ร, รู้ตัวเราอยู่เรืยอย่าเข้าไปช่วยอใจต้องแข็งแขงไว้นะบางทีมัน รู้ว่าตัวเราเป็นอะไรแล้วบางทีอึดอัดทึบมันเป็นนู่นเป็นนี่ไม่สบายใจมันหมืนหมองวิตกกังวลเศร้าสร้อยบางทีมันก็มีอาการอย่างเนู้นมีอาการอย่างนีหาสาเหตุไม่ได้ภายในตัวในในกายในใจเราเนี่ยบางทีมันก็หาสาเหตุไม่ได้อยู่ๆมันก็เหมือนคุ้มคลั่งมันเฉเๆอยงนั้นแหละมันจึงแบบวุ่นวายหัวใจคิดไปหมดเป็นๆกันหมดทุกคนอ่ะเป็นแต่ก็ให้มีผู้มาดูมาดูมารู้ตัวเราอ่ะตัวเราเนี่ยกาลังเป็นอย่างเนี้ย บาที่มันเป็นมันจบ้าอาจจะคลั่งมันบาทีมันอะไรปุ๊บจุ๊บุ๊บจุ๊บุ๊บจุ๊บจุ๊บหัวใจบางทีก็สบายสบายบางทีก็เบาดีก็ว่าไปหมดเลยบางทีก็สงบเนี่ยฟินบางทีก็เย็นจัาก็เสียงหัวใจแต่บางทีก็จู่งูวายก็าันจเฉยหาสาเหตุก็ไม่ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรก็อย่างเงี้ยมันก็ดีมันก็เป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวสบายจะไม่สบายก็ให้มีผู้มาดูมาดูมารู้ตัวเราต้องอยู่เฉยเนี่ยว่าตัวเรากำลังเป็นอะไรอยู่แต่ก็ดูอยู่เฉยจริงๆนนะอยย่่าไปชวมั อย่าเอาใจช่วยด้วยแล้วอย่าเข้าไปช่วยอย่าเอาใจช่วยต้องใจแข็งแ็งใจแข็งแขอย่าเข้าไปช่วยอย่างนี้แล้วเราก็จะเข้าใจเองเราก็เข้าใจความเป็นไปของตัวเราอเฉยๆอย่าอย่าเอาใจอย่าเอาใจช่วยแล้วอย่าเข้าไปช่วย้ะเข้าไปช่วยมันจะยุ่งหุ่นวาหมดอ่ะมันไม่สบายหร่อปรับแปงแปรงยุ่งวุ่นวายทำนู่นทำนี่หมุดหิดไปหมดเลยทำไมตัวเราเป็นอย่างนั้นทำไมตัวเราเป็นอย่างนี้ยุ่งวุ่นวายไปหมดอ่ะแต่ถ้าเรามรู้ตัวเรากาลังเป็นอะไรอยู่เฉยๆ แต่ว่ารู้มีผู้มาดูมารู้ตัวเราเจ๋ยๆยะไม่ต้องไปปรับไปแต่งไปยุ่งวุ่นวายกับเขาเลยทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเท่านี้เราต้องทำยามวันสงบเดี๋ยวเมื่อไม่สงบเดียววันวานเดไหยว่วานเดี๋ยวสะพ้ายเดี๋ยวเมื่อสะพ้ายมันอย่างนี้แหละสหรับการเปลี่ยนหมุนเดียนไปเราอยู่กับผู้รู้นั่นแหละอยู่กับผู้รู้ที่มารู้ตัวเราผูุ้กขนาปัจจุบันแล้วใจแข็งไหมไม่เข้าไปช่วยไม่เข้าไปช่วยตัวเราเลยไม่เข้าไปเอาใจช่วยเลยนะไม่เข้าไปช่วยแล้วไม่เข้าไปเอาใจช่วยเลยนั่นแหละถ้าเราอยู่ เราก็จะสนจับผูพผู้รู้นั่นแหละอู้ารา์ทั้งหลายท่านบอกว่าผู้รู้นั่นแหะคือพระพุทธเจ้าผู้รู้คือพระธรรมผู้รู้คือพระอริยสงฆ์ผู้รู้คือพระอรหันต์นั่นแหละผู้รู้ปล่เปล่ารู้แล้วไม่ไปจิตอะไรนั่นแหละคือพรนิพาน่กับผู้รู้มารู้ตัวเราไว้ตลอดเวลาอย่าต่อเรื่องไม่ขาดสายใจนะฟังดูก็เหมือนยากแต่สำลักไม่น่ายาก ตัวเราเป็นอะไรเราก็รู้ตัวเราเองดีใารจะไปรู้ตัวเราถ้าตัวเราล่ะผมบอกว่าตัวเราชอบไปถามคนนู้นถามคนนี้ว่าเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรกับตัวเราเป็นอะไรเราก็รู้อยู่แล้วสบายดสบายดีช่วยทุกๆก็รู้หมดครับว่าอย่าเอาใจไปช่วยใจแข็งๆได้ก็คือรู้มันก็ทานคอยทานไป อ่าคือเขาจะผ่านให้ผ่านก็นเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าดูแล้วไม่เห็นผ่าน <c oughs> <c oughs> ดูอยู่เฉยๆสับตาดูสับตาลูเขาจะผ่านไม้ผ่านแเ้าจะจบไม่จบไปก็ไม่อย่าไปสนใจอย่าเอาใจไปช่วย <c oughs> ดูตามความเป็นจริงในขณะปัจจุบนันพุกขณะปัจจุบันเขาเป็นอย่างไรก็ดูลูกเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ให้ใจเข้มแข็งไปอดทนอดกัน้นผอมใจนะครับยับยั้งยั้งใจว่าอย่าตามใจและอย่าเข้าไปช่วยแล้วก็อย่าอยากดี เราตึหรือว่าเครียดใช่ไหมคอาจารย์อาจจะปวดอะไร่เงี้ยทีนี้ถ้าเกิดเรารู้มันก็จะหายไปงั้อย่าอย่าว่าอย่าตั้งที่ว่าถ้ารู้แล้วต้องหายไปมันจะตึงมันจะเครียดมันจะเป็นอะไรแล้วก็รู้ตอกตะวันรู้ไว้รู้ตอกตะวันรู้ไว้แต่มารู้ที่ตัวเราต้องตัวนะ ว่าตัวเราเนี่ยมานั่งดูเหมือนกับมีผู้รู้มีผู้รู้ผู้เห็นเนี่ยมานั่งดูตัวเราต้องตัวที่กาลังตึงกำลังเครียดอยู่จะไม่ใช่ว่ามีความรู้สึกว่าตัวเราตึงตัวเราเครียดแต่ให้ตัวเราให้เราเนี่ยมารู้ตัวเราที่กาลังตึงกาลังเครียดอยู่ไม่ใช่อยู่กับความรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยกําลังตึงกําลังเครียรด <St> แต่ให้มีก็มีผู้มาดูมารู้ตัวเราเนี่ยที่กำลังตึงกําลังเครียดอยูก็ดูตัวเรากําลังตึงกำลังเครียดอย่างนั้นแหละตัวเหมือนก็มีธมาใช่ไหคล้ายๆอย่างนั้นแหละแต่ใช้มีมีผู้รู้ทึ่งไปอีกตัวหนึ่งมาดูตัวเราเนี่ยที่กำลังตึงกําลังเครียดกําลังหมุดหมดมุ่น ง, งานกําลังเบียดลบต่างๆแล้วการที่ที่ว่ามันไม่หายเนี่ยก็เพราะว่าอยู่ไปมีความอยากขึ้นมาอีกว่าเมื่อไหร่มันจะหายหรือว่าคือไปคิดแทนมัน ว่าที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเรามีความอยากแต่เราไม่ได้เห็นมันจริงๆใช่ไหมจันมันเลยมันเลยมันเลยไม่หายมันเลยถ้าถ้ามันเกิดความอยากเราอยากให้มัญหาายมันตึงมันเครียดมันอับเอยากให้มันหายมันทึบเราอยากให้มันหายมันก็เป็นตัวเราเนี่ยที่กาลังตึงกำลังทึบกำลังเครียดกำลังคิดปรุงแต่งอยากให้มันหายแล้วก็เราก็มีผู้รู้อ่ะมีผู้รู้มีผู้รู้อีกตัวหนึ่งเนี่ย มารู้ตัวเราเนี่ยที่กำลังอยากให้มันหายกําลังรีดลนกําลังปัดไสแต่เรากลายไปเป็นในคู่ที่กําลังรีดลนกําลังปักไสกำลังอยากให้มันหายใชเองเราไม่ใช่เป็นผู้รู้มารู้ตัวเราที่กําลังรีดลนกําลังปักใสกําลังคิดปงแต่งอยากให้มันหายเพราะว่าเราเราเหมือนกับความอยากเพิ่มในครั้งแรกเราก็มีความอยากอยู่แล้ว เพราะว่าที่มันเราปวดหัวหรือว่าเราเครียดเห็นว่าเพราะเรามีความอยากอยู่แล้วแล้วเราก็เราไปเพิ่มความอยากจนมันอีกแทนที่เราจะมองแค่มองเห็นว่ามันมีความแบบตรงนั้นแล้วจบแท้ที่จริงไงความตึงความเครียดก็มาจากความอยากตั้งแต่แรกแต่พอมันมันตึงมันเครียดแล้วเราก็มีความอยากที่รนผักสายอยากให้ความตึงความเครียดหายไปมันให้ทั้งหมดเนี่ยกระบวนการทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวเราเนี่ยตัวเราต้องตัวอะไรที่กำลังแสดงพฤติกรรมอย่างนั้นทั้งหมดก็ให้มีผู้มาดูมารู้มาเห็นตัวเราเนี่ยที่มีความอยากตั้งแต่แรก แ ล, ลลแล้วก็ตัวเราเนี่ยที่กำลังมีการตึงกําลังทึกกําลังเครียดแล้วก็ตัวเราเนี่ยที่กําลังคิดที่ลนอยากหรือผักใสอยากให้ความทุกข์ความเครียดความตึงนั้นหายไปมันก็มาดูตัวเราเนี่ยที่กำลังเป็นอะไรหมดทั้งหมดเลยดูตามความเป็นจริงก็คือถ้าเกิดเราเห็นถ้าเราเห็นเห็นท่านเยะ้ะเห็นเห็นจริงๆมันก็คือพิถี่ถูกต้องคอยจบไปอย่างนั้น ไม่ใช่ไม่ใช่จะไปจะไปตั้งเป้าอย่าได <_ t une> ี๋ยวไปตั้งเป้าว่าต้องจบอย่ไปตั้งเป้าว่าจบคือให้ให้เราเนี่ยไปมาเป็นผู้ดูผู้รู้ตัวเราเนี่ยที่กำลังเป็นอะไรอยู่ตลับเวลาไม่งั้นท่านจะกลายเป็ น, ปนตัวเป็นตัวท่านเองอยู่ในตัวท่านแลน้วก็อายุต้องจบอันนี้ก็ต้องจบรู้แล้ว <_ c anges> ต้องจบรู้แล้วจะต้องไม่มีไม่มีไม่ตึงไม่เครียดรู้แล้วต้องว่างรู้แล้วต้องสบายรู้แล้วต้องเบา เปงนั้นถ้าจะเป็นตัวของท่านอยู่ในตัวของท่านอยู่ยุ่งวุ่นวายอยู่ในตัวของท่านตลอดนะให้เป็นผู้รู้มารู้ตัวท่านเนี่ยที่กําลังเป็นอะไรอยู่นั้นเราคือเราไม่ต้องตั้งเป้าคือว่าจะเป็นยังไงเราถ้ามันแค่รู้อย่างเดียวใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราเราเป็นผู้รู้นี่เราไม่ได้เป็นตัวเราเนี่ยที่กําลังเป็นอะไรอยถ้าเกิดยังไม่รู้ก็ยังไม่รู้ก็ฉนั้นก็ใกล้รู้ไว้ให้ให้รู้ไปเรื่อยมันรู้อะไรก็รู้อันนั้นมันรู้ว่าตัวเรากําลังเป็นอะไรก็รู้อันนั้นไม่ต้องไปควานหาถึงที่ยังไม่รู้ เพราะเวลาเวลาท่องพุทโธไปเลยบางทีมันก็รู้บางทีก็ไม่รู้รู้ว่าจะรู้หรือไม่รู้มันก็ไม่รู้อะไรเงี้ยจังก็ไม่เป็นไรก็คือมันก็มันก็รู้ว่าตัวเราเวลาท่องพุทโธอยู่ก็ก็คือเราก็ทําไปเหมือนกับว่าแค่ทําเหตุปัจจัยไปส่วนมันจะรู้หรือไม่รู้มันจะเกิดผลเหมือนเดียวกับน้ำมันก็รู้เองอยู่ทุกขณะปัจจุบันว่าตัวเรากาลังเป็นอะไรอยู่กำลังทำอะไรอยู่เมื่อเราตรวจมโนใจพราท่องพุทโธอยู่มันก็รู้ตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาว่าเนี่ยเราเราเนี่ยกาลัง จนม น, นไหว้พระทอดพู้โธอยู่มันก็เหมือนกับว่าเรารู้ว่าเราท่องพุ้โธแต่เราเรารู้ว่าเราทอดผู้โทแล้วเราไม่รู้สึกว่าแบบแบบแดดมุกตัวโทษเขาเราจะไม่รู้สึกอย่าง น, นั้นกันหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องแล้วมารู้อะไรก็คือรู้วันนั้นอ่ะรู้ว่าตัวเรากาําลังกําลังทําอะไรอยู่กําลังคิดอะไรอยู่กําลังมีอารมณ์อะไรอยู่ เราสวดมนต์ไหฟ้าอยู่เพรามันรู้รในขณะปัจจุบันในปัจจุบันอันนั้นยังไม่รู้อยจะไปควานหาอ๋อเข้าใจละคือหมัยถึงว่าไม่จำเป็นไปต้องรู้ตั้แบบว่าปิ้งชัดเจนคือจะเป็นรู้เลยสภาวะไหนก็ก็คือตรงนั้นแหละใช่ใช่ใช่สภาวะหรืออาการในในปัจจุบันก็รู้อันนั้นแหละรู้ในปัจจุบันรู้เลยแต่ว่าที่ว่าต้องรู้นี่คือรู้แต่ว่าเหมือนกับปิ้งชัดจริงๆคืมันไม่จาเป็นต้องเป็นอย่างนั้นครับครับ โอเคค่ะเข้าใจแล้วแลก็ถ้าเกิดถึงเวลานูท่องพุทธพแล้วมันตึงอะไรหรือก็าสามารถมาเคอะพื้นทอะไรก็คือเป็นการเปลี่ยนไอเดียบทความคิดอะไรเพื่อให้มันคลายเครียดทำอะไรก็ได้นอนแค่นี้ก็ได้ไม่ใช่ครับตัวเราเป็นอะไรก็รู้ตามความเป็นจริงงั้นรู้อยู่เฉยอย่ามาเคาะตัวก็ทําให้ความทุกข์ความเครียดความเหื่ออะไรเป็นหายไปใน น, นั้นจะกลายเป็นว่าเราเรามารู้ตัวเราเองแล้วเราก็กลายเป็นว่าเมา มีผู้มาดูมารู้ตัวเรากาลังเป็นอะไรแล้วเราเขห่วงใยตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาเลยห่วงใยเราเข้าไปช่วยเหลือตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาคอยเข้าไปห่วงใยรับท้ายพัวพันคอยช่วยเหลือตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาให้รู้ต้องการู้อย่าเข้าไปช่วยตัวเราเองที่กำลังเป็นอะไรอยู่นั้นก็คือเราก็พูดโธต่อไปอ่าเราก็พุทโธต่อไปหรือเราจะจับตัวดูรู้อยู่เฉยได้เราก็จับตัวดูรู้อยู่เฉยเลยก็คือไม่ต้องช่วยเพื่อที่จะให้มันให้มันออกไปจากตรงนั้นเพราะไม่งั้นก็กลายเป็นว่าเราไปเป็นส่วนนั้นอีกใช่อมยาเขาพี่ใช่ครับใช่ครับ ไม่งั้ในตัวเราเนี่ยจะพายผู้รู้ว่าจมน้ำเ<ม>คลื่อนผู้รู้มันจะติดตัวเราไปติดร่างกายจิตใจไปติดอารมณ์ติดความรู้สึกไปมันจะพายผู้รู้น่ะจมน้ำไปด้วยกันแลาวตอนี้ก็ยุ่งไปทุกไปเกิดใหม่ให้เรารู้รู้ที่เข้มแข็งไว้อดทนอดกลั้นไว้ตัวเราเป็นอะไรก็อย่าไปอย่าไปช่วยอย่าเข้าไปช่วยเดี๋ยวมันมันลากจมน้ำไปด้วยกันลากจมไปทะเลทุกไปได้วยกันตัวเราเป็นอะไรไม่ขเข้าไปช่วย อ, อ คือปล่อมันเป็นไปตามนั้นเราแค่ดูดูอยู่หลักเดียวใช่แค่ดูแค่รู้อยู่เฉ ย, ยแค่ดูแค่รู้ตัวเราอยู่เฉ ย, ยถ้าเราเอาใจไปช่วยหรือเข้าไปช่วยหรือตามตามมันไปเกาะติดมันไปมันก็มันก็พาเราลากเราจมน้ําทะเลทุกไปเมื่อทีมันก็อดไม่ได้เลยอาจารย์ว่ามันจะต้องเผลอแบบในตาเปล่าสักนิดนึงค่าวขอนขึ้นหน่อยมันจะไปไหนอ ย, อยู่เรื่อยอ่ามั น, นก็เพราะทั้ เข้าใจขึ้นมาหน่อยแล้ครับครับใครถามอะไรก่อนไหมอ่ะเสร็จเสร็จครับธรรมั น, มนูุจิตก็รู้ที่จิตเลยครับรู้จิตครับตนจิตเห็นจิตเลย ไปพิจารณากายแล้วมันกลับมาดูจิตอยู่เรื่อยๆก็รู้จิตเหจิตว่าจิตเราเป็นอย่างไงตัวเราเป็นตัวเราเนี่ยเป็นอย่างไรจิตใจของตัวเราเนี่ยเป็นอย่างไงก็ดูดูดูศับแล้มาดูสับท์ตรวดูศัพทะเหตุไปเรื่อยๆเรืยๆเรๆดูไปดูตัวเราทั้งตัวเนี่ยตัวเรามันเป็นอย่างไงเรารู้ตัวเราเองดีเหมือนหลวงปู่ทาว่าตัวเราเนี่ยเป็นอย่างไงเราไม่ต้องไปถามใครเรา เป็นยังไงจิตใจเป็นยังไงมันแอบคิดแอบเล็แอบติดแอบตองแอบตกแต่งแอบวิพากษ์วิจาร์แอบมีอารมณ์อย่างไรตัวเราเป็นยังไงท่านว่ารู้ดีไม่ต้องไปถามใครเราก็รู้ที่ตัวเรานี่แนะรู้ที่ตัวเราว่าตัวเรานี่เป็นอย่างไรมันเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลนักกุศลเป็นดีเป็นชั่วเป็นรักเป็นชังเป็นทุกข์เป็นดีใจเป็นเสียใจเป็นขงสายเป็นข้าหมอง ก็ดูที่ตัวเราเนี่ยดูที่ตัวเราตัวเรากำลังเป็นอะไรในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันก็ดูที่ตัวเราว่าตัวเราเนี่ยเป็นยังไงตัวเราเป็นอะไรรู้ตัวเราเนี่ยรู้ตัวเราไปเรื่อยเรื่อยรู้ไปเรื่อยเรื่อูไปเรื่อยเรู้ตัวเราไปเรื่อยเรืยู้ให้รู้อยู่กับที่รู้ให้มั่นคงคำว่ารู้อยู่กับที่รู้ให้มั่นคงก็คือว่าอย่าอย่าตามใจตัวเราตัวเราเนี่ยไม่อยากจะแอบคิดแอบพูดแอบกระทาอะไรก็อย่าําใจตัวเรา ทั้งไม่เข้าไปกดข่มบังคับว่าจะต้องไม่เป็นอย่างนั้นจะต้องไม่เป็นอย่างนี้จะต้องไม่คิดอย่างนั้นจะต้องไม่พูดอย่างนั้นจะต้องไม่ทำนี้ไม่เข้าไปกดกดบังคับทั้งไม่ตามใจแล้วไม่เข้าไปกดข่มบังคับให้รู้สติปัรู้านอยู่เฉยรู้สติปัฏฐานอยู่เฉยรู้ตัวตนอยู่เฉยรู้ตัวเราเนี่ยตัวเราเนี่ยเป็นอย่างไรในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันเราก็รู้ตามาความเป็นจริงจะเป็นดีเป็นเชือ่อเป็นบุญเป็นบาปเป็ น, น, นกุศลอกุศล จะถูกใจไม่ถูกใจพอใจไม่พอใจจะสบายไม่สบายจะปองสายจะเศร้าหมองดูตัวเราเนี่ยดูมันอยู่ตรงนี้เนี่ยแต่บางคนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะดูรู่เห็นอยู่เฉยได้มันจะไหลไปเนกระทั่งเวลาเวลาโหดหูก็โหดหูนานเศร้าหมองก็เศร้าหมองนานเวลาทุกก็ทุกนานโศกเศร้าก็โศกเศร้านานเสียใจก็เสียใจนานหรือมีราคะก็มีราคะนานมีโทสะก็โทสะนานก็คือว่าไหลไม่ติดอยู่กับอารมณ์นั่นนาน ท่านจึงบอกว่าให้ใจมีหลักไว้ด้วยในการดูรู้เห็นเนี่ย <chips> ก็มีหลักใจไว้ที่นิย ม, มก็คือว่าในการที่เรามาดูรู้เห็นตัวเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันดูรู้เห็นตามความเป็นจริงของตัวเราอยู่เนี่ยเราก็บริกรมรมคําว่าพุทโธ ช, ช่วยไว้เอาพุทโธไปหลักใจไว้ในขณะที่ดูรู้เห็นตัวเรากําลังเป็นอะไรอยู่มีอารมณ์อย่างไรมีความรู้สึกสบายไม่สบายมีความรู้สึกเป็น <h> สุครู้สึกเป็นทุก <h>. รู้สึกเป็นกลาง มีอารมณ์อย่างไรมีความคิดความนึกความเกิดความตองความปรุงแต่งมีอารมณ์ลาข้โทสะโมหะหรือมี uration, อารมณ์พิธีสุกุเบขาหรือคำต่างก็ตามหรือเมื่อจะเกิดความสบายใจไม่สบายใจเกิดตองสายเกิดเศร้าหมองเกิทซอแท้หดหูเบื่อเ็ง่ในต่างๆเนี่ยเราก็ดูรู้เห็นจิตใจเราตามความเป็นจริงทุกขณะปัจจุบันแอบตึกนึกคิดปรุงแต่งอย่างไรแอบมีอารมณ์กับใครอย่างไรเราก็ดูรู้เห็นตามความเป็นจริงอ่ะ ไม่กดไม่คมไม่บังคับไม่ตามใจไม่ตามใจรู้อยู่เฉยๆรู้อยู่เฉยๆรู้อย่างนั้นนี่ยซึ่งรู้อยู่เฉยเนี่ยปกติไม่ได้มันก็พอจะไหลไปม้ากเขไปกดไปแช่อยู่ในสิ่งนั้นบ้างเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธในการดูรู้เห็นไว้ทุกขณะที่ดูรู้เห็นตัวเราเนี่ยให้บริกรรมพุทโธช่วยไว้ตลอดเวลาถ้าเราบริกรรมพุทโธช่วยไว้ตลอดเวลาเราไม่กลัวไม่กลัวว่ามันจะไหลไหลก็ไหลไหลก็รู้ไม่ไหลก็รู้อยากจะไหลก็รู้ ไม่ไหลก็รู้ไม่กดข่มบังคับแล้วก็ไม่ตามใจเอาอยู่แค่เนี้ยไม่กดข่มบังคับแล้วก็ไม่ตามใจมันจะไหลไปไงก็รู้มันไหลก็รู้มันไม่ไหลก็รู้มันมีอารมณ์อย่างไหลก็รู้มันเป็นอารมณ์ที่เป็นอนกุศลก็รู้มันเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลก็รู้มันเป็นลาภโตสากโมหะบุตรกิจพงศ์สร้างลำซามใจเบื่อเต็งกุ้มปวดหูท้อแท้พี่ตกกังวลเศร้าหมองก็รู้มัน ดีปิติตัวกุเบขาผ่องใสตว่างเฉื่อยเจ้ามีความสงบมีความสบายมีความผ่องใสก็รู้เป็นฝ่ายกุศลก็รู้เป็นฝ่ายบุญก็รู้เป็นฝ่ายบาปก็รู้เป็นฝ่ายอกุศลก็รู้ก็รู้รู้รู้รูอย่างเนี้ยเป็นกุศลก็รู้เป็นอกุศลก็รู้เป็นบุญก็รู้เป็นบาปก็รู้เป็นดีก็รู้เป็นชั่วก็รู้รู้รู้สอบตาวรู้รู้สอตาวรู้ไม่ตามใจไม่ตามใจคือปล่อยให้แอบคิด แอบมีอารมณ์ไปอยู่ยาวเลยไม่เลิกลาสักทีหรือแอบพูดไปเลยแอบประจําไปเลยอย่างนี้เรียกว่าตามใจทั้งไม่ตามใจแล้วเขาไม่หักหันน้องปุรุณตรรเค์ใช้ว่าหักหันทั้งไม่หักห ร, หกหรันคือไม่เข้าไปกดข่มบังคับหักเลยว่าจะต้องไม่เป็นอย่างนั้นต้องไม่เป็นแบบนี้แล้วก็รู้รู้จิตใจเราแล้ก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธธในการดูรู้เห็นไปเรื่อยเราก็ต้องกลัวว่ามันจะหลายไปนานหรอก เราพุทโธไว้หนก็ไหลไปนานนานเท่าไหร่ก็ไม่ได้ไม่ไม่เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีได้หรอกไม่ต้อกลับมาเองเราไปพุทโธพุทโธไว้ดูรู้เห็นไว้แล้วก็ในการดูรู้เห็นจิตใจเราเนี่ยเราก็บริการพุทโธพุทโธไว้แล้วเราไม่ต้องคอยไปจ้องดูเอ๊ะเดี๋ยวลมมันจะดับไปนะเดี๋ยวอาการยิ้มจะดับไปเดี๋ยวยิ้มจะหายไปเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะหายไปว่ามันจะหายหรือไม่หายจะดับหรือไม่ดับไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่เราก็คือสับตว์ตัวสับตว์รู้สัตว์เห็นจิตใจเรา ตัวเราเนี่ยเป็นอย่างไรทุกขณะปัจจุบันเราก็ดูรู้เห็นตัวเราไปเรื together, right? like example, to to ่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆว่าตัวเราเนี่ยเป็นอย่างไรมีความรู้สึกเป็นอย่างไรเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางกลางเราสบายไม่สบายฟองใสหรือว่าเจ้าหมองมีความตึกในคิดปรุงแต่งอย่างไรทางกุศลไม่กุศลเป็นบุญเป็นบาปเป็นดีเป็นชั่วเป็นรักเป็นชั่งมีอารมณ์อย่างไรก็รู้ สบายใจไม่สบายใจก็รู้รู้ ร, ร, ร, ตตรู้รู้ตตรู้ตอกตะวะรู้รู้ตอกตะวันรู้รู้ตอกตะวะรู้เรื่อยไปรู้ตอกตะวะรู้รู้ตอกตะวัรู้โดยบริกรรมคำพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธช่วยในการดูรูอย่างกิจใจตัเองแล้วแบดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยดูไปเรื่อยๆไม่ปล่อยให้มันไหลเพลิดเพลินเจริญใจไปโดยไม่รู้ตัวทั้งไม่เข้าไปหักหานเข้าไปบีบบังคับไปกดข่มบังคับใด้ ให้ hey, รู้รู้รู้รู้รู้รู้สับมต่รู้แล้วปล่อยวางไปรู้ปล่อยวางไปหมายถึงว่ารู้สับแต่รู้อย่างเดียวเแล้วก็<ๆ>ปล่อยวางไปตัวเราเนี่ยเหมือนเป็นโลกทั้งตัวมันเป็นกิเลสตัณหาอยู่เราก็เกิดมาด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาของพ่อกละแม่เราแล้วตัวเราเองก็เกิดมาเป็นโลกทั้งตัวเป็นกิเลสตัณหาตั้งกาตั้งใจนึกเหมือนคิดนึกถึต้องพุ่งแซงเป็นฝ่ายกุศลบ้างอกุศลบ้างเป็นบุญเป็นบาปก็นพอดีเป็นชั่ว โดนลับอดไม่ได้หลังบก็แวบแวบแวบไปตามความไปตัวไปใจแต่เราก็จะ้แรู้ตัวทันรู้ตัวทันรู้ตัวทันไปเรื่อยๆไม่ตามใจทั้งไม่ตามใจแล้วก็ไม่เข้าไปหักหานกดข่มบีบังครับไม่ให้เขาฝึกไม่คิดปรุงแต่งไปในทางฝ่ายที่เป็นอับอุศจะเป็นเป็นบาปคือเขาแวบมาเราก็รู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวแล้วเรารู้ตัวแล้วเราก็รู้รู้ดูตัวเราเฉยๆรู้ตัวเราอยู่เฉยๆว่าตัวเรากำลัง คิดอย่างนี้กำลังแอบที่อย่างนี้กาลังแอปมีอารมณ์อย่างนี้เราก็รู้รู้รู้ตัวเราอยู่เฉยในขณะที่เรารู้ตัวเรา chain, เฉยเฉยเนี่ยเราก็พุทโธพุทโธพุทโธในการดูรู้เห็นตัวเราไว้รู้ตัวเราเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่ารู้ทั้งตัวคือว่าตัวเราเนี่ยคิดอย่างไงนึกอย่างไรมีอารมณ์ย่างไงไม่ใช่ว่ามันรู้แต่ร่างตายนั่งอยู่เขาบรรู้ทั้งตัวคือว่ารู้ตัวเราเนี่ยมันมีความรู้สึกอย่างไรสบายไม่สบายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเป็นกลาง มันจำอะไรขึ้นมาในขณะปัจจุบนันนั้นนมันคิดนึกคิดตอนปรุงแต่งอะไรขึ้นมาในขณะปัจจุบันนั้นนั้นต้องใสดีใส่เชื่อใส่บุญใส่บาปใ่าปปู้น ส, ปป น, สนับผู้สนมันมีอารมณ์อย่างไรก็รู้มีราคะโทสะโมหะอุณหภูมิจ้าับการใจเกิดเองริษตกกังวลเศร้าหมองไม่ผ่องยแล้วก็รู้แล้วก็รู้รู้รู้มันมีปีติตัวกุมเบกขาก็รู้มันมีความผ่องใสเบิกบานใจ ดีใจก็รู้เสียใจก็รู้รู้รู้รู้รู้สุขใจก็รู้ทุกข์ใจก็รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้ต่อต่อรู้รู้ต่อต่อรูแล้วไม่ตามใจตามดูตามรู้ตามเห็นตัวเราไปเรื่อยๆว่าตัวเราเป็นอย่างไรก็ตามดูตามรู้ตามเห็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆื่อยๆในขณะที่ตามดูตามรู้ตามเห็นตัวเราไปเรื่อยๆเนี่ยก็บริกรรมคําว่าพุทโธไว้พุทโธพุทโธพุทโธในการดูรู้เห็นกากับในการดูรู้เห็นไปเรื่อยต้องมีพุทโธกํากับสติในการดูรู้เห็นตัวเราอยู่ตลอดเวลา ไม่งั้นเนี่ยมันไหลไหลไปไม่รู้เรื่องเลยเข้าไปแช่นิ่งเงียบก็ไม่รู้เรื่องก็มีพุทธโธไว้มีคํามพฤกรรมพุทธโธกํากับไปไม่งั้นมันไหลไปแช่นิ่งเฉยว่รู้สัก่็รู้แต่รู้ก็ไปแช่นิ่งเฉยเลยจนหน้าดำำําคัําไปหมด อ, อย่างนี้ก็ไม่รู้อีกจนคนข้างเคียงมองเห็นแล้วว่าเอ๊มีลักษณะที่ปฏิบัติไปแล้วผิดปกติมีอาการนิ่งเฉยไม่อยากพูดจากับใคร อันนี้เพื่คือเข้าไปแก่หนี่อยู่ในในอารมณ์นั้นอย่างนี้เราก็ถ้ามันมไมีรู้ตัวว่าแช่เมื่อไหร่มันรู้ตัวว่าแช่เราก็ต้องทําอะไรไม่ต้องไปดี้นรนปรับสายปรับปรับปรับนู่นปรับนี่ปรับตัวบุบปรับบุกปรกบุบปรับปทุบแก้มทุบขาอะไรเราก็ต้องมาทำอย่างงั้นเราก็มารู้ตัวเราที่แช่อยู่เฉยๆแช่แล้วมันคิดยังไงมึกไงมันมีอารมณ์ไหนก็รู้ไปรู้ไปเรื่อยๆไม่ใช่ไปดูแต่ตรงที่แช่นะ พอมันแช่แล้วมันอาจจะคิดยังไงเออเราแช่แล้วแล้วเราก็ดูที่ด te <celui> ูรู้เห็นที่เราคิดว่าเอะเราแช่แล้วแล้วก็ดิ้นลนมันอยากจะออกจากแช่แล้วเราก็ดูความดิ้นลนก็ใช่รู้แต่อาการที่แช่แล้วอย่างอื่นไม่สนใจดูเลยคือมันแช่แล้วมันอาจจะคิดต่อจากนั้นอีเราแช่แล้วเราก็ดูรู้ว่าเรากําลังคิดว่าเราแช่แล้วพอมันรู้สึกว่าตัวเราแช่แล้วมันก็ดิ้นดิ้นลนอยากจะออกจากอาการที่แช่เราก็ดูรู้เห็น ตชีวิตหล่นที่อยากออกจากอาการที่แก้เราก็ดูให้มันทันอันปัจจุบันนะดูให้ทันอาการปัจจุบันดูความคิดดูอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันปัจจุบันให้ทันในปัจจุบันอย่ามัวไปมั่วกับอดีตอาการใดที่เป็นอดีตไปแล้วเราอย่าเราอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับอันที่เป็นอดีตให้ทันนั้นปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันเรื่อยไปเรื่อยไปแล้วเราก็ไม่ต้องสนใจว่าอาการอดีตเนี่ยมันหายไปหรือไม่หายไปนี่มันทำไมไม่หายสักที ปัจจุบันก็รู้อดีตก็รู้ถ้าเกิดสมมุติว่าอาการนั้นยังไม่หายไปแล้วมีความคิดมีอารมณ์มีมีปติจายอย่างใดๆเพิ่มเติมเข้ามาต่อจากอาการนั้นเราก็รู้ไปหมดเนี่ยรู้ไปทั้งหมดแล้วก็รู้สัตว์รู้รู้สัตว์รู้รู้อยู่อย่านันเนี่ยเราก็พุทโธพุโธพุโธดูรู้เห็นจิตใจตนเองพุทโทพุโธดูรู้เห็นจิตใจตนเองสัตว์รู้สัตว์เรูรู้เห็นจิตใจตนเองดูรู้เห็นจิตใจตนเองไปเรื่อยเรื่อยเยมันติกมันนึกมันคิดปรงแต่งอย่างไรก็ดูรู้เห็นไปเรื่อยเรื่ ดูไปจะไปจับแต่ตรงที่เบาเบที่สบายสบายที่ว่างที่ว่างนะจะไปจับแต่ตรงนั้นในขณะที่มันเบาเบมาสบายสบายสว่างว่างในขณะนั้นมันอาจจะตึกตึกกิบงดงามอะไรเกิดขึ้นมามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาซับร้อนขึ้นมาในตอนนั้นๆในขณะปัจจุบนันนั้นๆนั้นก็พุโตพุโตแล้วก็ดูรู้เห็นไปเรื่อยเรื่อเรื่อยดูเรียนกิตใจไปเรื่อย แต่ถ้าคนไหนมีความมั่นใจแล้วว่าเราสามารถที่จะแต่ว่าดูรู้เห็นจริงตัวเราอยู่ที่เฉยได้จริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องพูดโถเราก็ดูรู้เห็นตัวเราเป็นอะไรในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรเราก็ดูรู้เห็นตามความเป็นจริงไม่ต้องพยายามให้เขาคิดแต่ดีๆไม่ต้องพยายามให้เขามีแต่อารมณ์ดีๆเขาเป็นยังไงก็ดูรู้เห็นตามความเป็นจริงไม่ว่าเขาจะเป็นบุญเป็นบาปเป็นดีเป็นชั่วเป็นรักเป็นกำ เป็นพอใจไม่พอใจเป็นความอยากไม่อยากไหนแล้วก็ดูรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วอย่าตามใจเข้าไปมอย่าไปกดข่มบ้างครับอย่าพยายามไปทําให้อะไรหายไปไม่ใช่ว่าพอเขามีความพอใจไม่พอใจก็รีบไปทําให้ความพอใจไม่พอใจหายไปก็ามีความอยากไม่อยากก็รีบไปทําให้ความอยากไม่อยากหายไปมีความถูกใจไม่ถูกใจสิ่งใดก็รีบไปทําให้ความถูกใจไม่ถูกใจหายไปอย่าเข้าไปรีบพยายามทําอะไรให้มันหายไปเราก็ตึงไว้ที่จับตะวันดูจับตวัรู้จับะเห็น ตรึงสัพพะวัดูสัพรู้สัพพะเห็นไว้ให้มั่นคงให้มั่นคงอย่างนั้นเนี่ยอย่ากลัวอย่ากลัวอย่ากดอย่าข่มอย่าบังคับแล้วก็อย่าตามใจรู้ไว้รู้รู้ไว้รู้ไว้รู้ไว้รู้ไว้กิเลสเถิดถ้าอย่างนั้นจะต้องสามารถตึงที่รู้สัพพะไว้ได้เฉยได้ทุกความรู้สึกท no, ุกความนึกทุกความคิดทุกอารมณ์ทุกอาการทางกายทุกอาการทางใจ ถ้าสามารถเป็นรู้สตวรู้รู้สตวรู้ไปได้ถ้าไม่ต้องบริกรรมความทุกขโทช่วยถ้าก็รู้รู้ windows, ที่ตรมนั้นหรือม่งั้นบางท่านก็รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกแล้วก็รู้อาการทางกายรู้อาการทางใจรู้ความรู้สึกในึคิดอารมณ์รู้สตวรู้รู้สตวรู้ไปควบคู่กับลมหายใจเข้าออกก็ได้เามกันครับไม่ใช่ว่ารู้แต่ลมหายใจก็ออกอย่างเดียวนะหมายถึงว่ารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นตัวหลักใจไว้ ตลอดเวลานอกจากนั้นก็รู้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์รู้อาการร่างกายรู้อาการน้ำใจที่เกิดขึ้นสลับกับเปลี่ยนหมุนเวียนไปในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันให้รู้ไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยๆตามดูตามรู้ตามเห็นไปเรื่อยๆแต่รู้ลมหายใจเข้าออกโดยรู้คำปริกำพุทโธเนี่ยต้องต้องมีไว้อันหนึ่งเป็นหลักไว้เพื่อไม่ให้มันไหลไปโดยไม่รู้ตัวเข้าไปแช่ก็ไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ ถ้ามันมีรู้เราไม่ใจเข้าออกรู้รู้บริการพุทโธไว้มันจะเข้าไปกดข่มบังคับไม่ได้เพราะว่ามันรู้เป็นหลักไว้อันก็รู้เราไม่ใจเข้าออกไม่ต้องบริการพุทโธก็ได้หรือหายใจเข้าพุทหายใจออกตโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือรู้เราไม่ใจเข้าออกอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องบริการพุทโธก็ได้ก็รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้จิตใจเรารู้ความรู้สึกใึกิดอารมณ์สบายไม่สบายตองใสเรามองสว่างไม่สว่างสงบไม่สงบคงต้านหรือ ฟห้พุ่งสร้างแล้วพอรู้รู้ต่อแต่รู้รู้ต่อแต่รู้เรื่อยไปเนี่ยให้เข้าใจนะไม่ยากนะไม่ยากค่อยรู้รู้อย่างนี้เรื่อแต่รู้รู้อย่างเด <c ười> ียวเรย่อยไม่ต้องกลัวเขาบางคนกลัวว่ารู้รเรื่องจะแจฉเฉยไม่รู้ตัวแตาท่า น, า น, ไไไ ม, นาามีตัวหลักไว้ตัวถ้าไม่ต้องกลัวว่าจะไปแฉเฉยมันจะแจฉงั้นก็ไปไงไม่ได้หรอกถ้าก็มีตัวหลักไว้จะจิ้งหลักรู้หลักคือเราไม่แจ้งเขาออกหรือเราบริการพูดโชว์ มันจะแจ้ไงถ้าก็ไม่งกลัวแล้วมันต้องเข้าไปบิ้นพยายามให้ออกจากแจ้เข้าไปกลัวจะแจ่งอะไรไม่ต้องกลัวก็ต้องไม่ต้องมาดินมันดิ้นก็รู้ว่าดิ้นมันกลัวก็รู้ว่ากลัวเราไปดูรู้เห็นมันไปเรื่อยๆคิดใจไปเรื่อยๆอันนี้ต้องอยู่ที่ ความฉลาดของเจ้าตัวลนะอืมนวลฉลาดความฉ ล, ลาดของเจ้าตัวอย่างของผมเนี่ยบางทีคือบางทีมันจิตใจมันเป็นปกติมีความเป็นปกติมีความสงบระงับดีก็ไม่ได้ใช้คําบริการมพุโทโธรอะไรบางทีก็ดูรู้อยู่เฉยแต่ในบางครั้งก็ดูรู้เห็นจิตใจของตัวเองอยู่เฉยมันก็รู้ลมหายใจเขาออกมันขึ้นมาเองเพราะว่าเราดูดูตัวเราเนี่ย มีความรู้สึกในคิดอารมณ์อะไรในขณะนั้นก็ลม่ใจเข้าลมใจออกเรา um, มันเคยอาจจะเคยฝึกมามันเคยรู้้ก็เลยรู้ลมไหนจเข้ารู้ลมไม่ใจออกไปพร้อมๆกับในการดูรู้เห็นความรู้สึกในคิดอารมณ์ดูรู้เห็นจิตใจของตัวเองก็ได้ก็เลยดูรู้คู่กันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าสบายดีมีความรู้สึกว่าไม่มีภาระอะไรเหมือนกับว่าทำปฏิกรรพุทโธขึ้นมาเหมือนที้ก็รู้สึกว่ามันมีภาระเพิ่มขึ้น ก็เลยดูแต่ลมไม่เจกเข้าออกรู้แต่ลมไม่เจกเข้าออกแล้วก็รู้ความรู้สึกรูคิดอารมณ์รู้อาการทางกายรู้อาการทางใจรู้จิตใจตัวเองก็รู้รู้รู้ตอกตะวันรู้รู้รให้สติให้มันคงไม่เผลอเผอตามไปแล้วก็ไม่เข้าไปบดขม่มบังคับขับหารมันมันจะ ต, นงงน ต, ต้องไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่ต้องต้องไม่เป็นอย่างนี้และที่สำคัญนี้ก็คือว่าก็แค่ดูรู้เห็นไปแล้วแล้วก็นึกคาดหวังว่า เออเดี๋ยวอาการอย่างนั้นจะหายไปเดี๋ยววิตกยาทางสิตอย่างนี้จะหายไปเดี๋ยวใจจะว่างเปล่าเดี๋ยวใจจะสงบเดี๋ยวใจจะนิ่งเดี๋ยวจะว่างไปคาดฝังแบบนี้แล้วทุกมีแต่ทุกปฏิบัติไปด้วยความทุกความเครียดเพราะมีความคาดฝังตลอดเวลาดูสอบการดูในปัจจุบันสอบการดูสอบการดูสอบกาเห็นในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันเดไปคาดฝังผลพักผานฝังผลแล้วเครียดแล้วว่างเลยปฏิบัติเครียดปัจจุบันเป็นยังไงก็สอบการดูรู้เห็นเนอันที่เป็นปัจจุบันล่าำไป แต่บางทีบางครั้งบางขนาดเนี่ยผมก็ใช้าบริกรรมพุทโธไม่ได้ดูเราไม่ใจเข้าออกไม่ได้รู้เราไม่ใจเข้าออกใช้บริการพุทโธในการดูรู้เห็นที่ใจตนเองคึอไม่รู้เป็นไรขนาดนั้นจิตใจมันอยากกับบริการพุทโธในการดูรู้เห็นจิตใจตนเองผมก็บริการพุทโธขึ้นมาบริการพุทโธมาในการดูรู้เห็นจิตใจตนเองไม่ได้ไม่ได้ดูรู้เห็นเราไม่ใจเข้าออกคือไม่ต้องอาเราไม่ใจเข้าออกไม่ต้องเอาเราไม่ใจเข้าออกผูกกับคําบริการพุทโธ คือพุทโธพุทโธก็มาเลยไม่ต้องปูกเราไม่ใจเข้าออกแล้วก็ดูรู้เห็นที่ใจเองไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันอยากจิตมันอยากจะบริกรรมพุทโธเราก็พุทโธพุทโธในการดูรู้เอ็นที่ใจกันเองคือมันเกิดความไม่แน่ใจว่าเอ๊นี้มันไหลหรือว่ามันแช่เอ๊นินี่มันมันมันปรุงตึกนึคิดปรุงแต่งไปเองหรือว่าเราเป็นผู้รู้เราเป็นผู้คิดไปเองหรือว่าเราเป็นผู้รู้จนเกิดความสงสัยอย่างนี้พุทโธเลยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุโธขึ้นมาอ่านหนึ่งแล้วก็ มีความรู้ตัวว่ากำลังบริการพุทโธอยู่พอเรารู้คำบริการพุทโธสักอันหนึ่งแล้วต่อไปเนี่ยความรู้สึกไม่คิดอารมณ์ไม่ว่าจะไหลจะแช่ไหนมันก็เป็นสิ่ิที่ถูกรู้หมดเลยเพราะว่าเรารู้คําบริการพุทโธไว้อันนแล้วพอมันมีความรู้สึกไม่คิดอารมณ์อะไรมันก็กลายเป็นผู้มันกลายเป็นสิ่ิที่ถูกรู้ทั้งหมดนี่ใช้ในกรณีที่ว่าไม่แน่ใจว่านี่มันแช่เฉยเยหรือมันมันมันเป็นผู้ติดคิดรู้สึกต่อปุงแต่งหรือว่าเป็นผู้รู้เนี่ยเราก็เลยให้มันรู้คำบริการพุทโธขึ้นมาพอรู้คำ พอม e. ีอาการทางกายมีอาการอย่างไรลุกมันก็เลยกลายเป็นผู้รู้ไปหมดเลยเราก็รู้คู่กับบริกรรมพุทโธไปในขณะระหว่างนั้นมันอาจจะปล่อยวางบริกับมพุทโธไปเหลือแต่รู้ลมหายใจเข้าออกแล้วก็รู้ความรู้สึกมันคิดอารมณ์รู้อาการทางกายรู้อาการทางใจไปพร้อมๆกันด้วยมันก็ปล่อยวางบริกรรมพุทโธไปเหลือแต่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกแล้วก็รู้ดูรู้เห็นความรู้สึกมึนคิดอารมณ์ดูอาการทางกายดูอาการทางใจดูจิตใจ ดูส oh ัตปัจบันดูจักตัวรู้จัตว์เห็นมันจะเจอมันก็จะเห็นเห็นเห็นตามความเป็นจริงก็เปลี่ยนไปื้วยอดีตนี้ถูกดูถูกรู้ถูกเห็นมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมันเองมันจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ใช่หน้าที่เราเนอะมันจะแบบเราไปดูแล้วเห็นเปลี่ยนหน้าทีละอาจารย์าก็จะดูจะอยาให้มันเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่เราคือไม่หน้าที่ดูมีหน้าที่ดูมีหน้าที่รู้มีหน้าที่เห็นตามดูตามรู้ตามเห็นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อย่ป็นหน้าที่เราไปดูแล้้วใหมันเี่ยน มันจะเปลี่ยนไม่ใชเปลี่ยนไม่ใช่หน้าที่เราอันนี้จะเจนไหมนี่มี่ ง, งหนะาสมัยก่อนมันเครียดมากเลยนะเวลามันมันคิดในทางอกุศลอย่าเครียดมากเลยนะเครียดกับตัวเองเราไปคิดแอบไ่มีลาภะกับใครดับดับมาไม่ถึงว่ามันไปถึงขั้นรุนแรงอะไรแต่พวมันแับเพิ่มมาเนื้อถึงเครียดติดมาเลยทันทีเลยมันเครียดติดขึ้นมาทันที พอมันคิดนัป็นทางรับในทางที่เป็นลาคาลับหนึงขึ้นมาในใจลัลนบนัดมาต่อไปเงี้ยแล้วมันเชื่อติดมาเลยแล้วแก้ไม่หาอยู่นานจนกทั่งมันเกิดปัญญาว่าอ๋อส่วนนั้นกับไอ้ตัวเรามันเป็นโลกตัวเราเป็ น, นกิเลสตัณหาเราก็เกิดมาได้กิเลสตัณหาของพ่อกับแม่เราดันั้นแต่ไอ้ผู้ที่มารู้ตัวเราเองเป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระธรรมเป็นพระสงฆ์เป็นพระอรหันต์เป็นมรรคผลนิพพานไอ้ผู้รู้นี่เป็นเป็นความบริสุทธิ์แต่ตัวเราร่างกายจิตใจเราที่ถูกถูกรู้เนี่ยมันเป็นกิเลสมันเป็นโลกเป็นกิเลสกัญหาแต่ไอ้ผู้ที่มารู้ตัวเราเนี่ยมารู้ร่างกายจิตใจเรารู้อาการทางกายรู้อาการทางใจรู้ความรู้สึกรู้คิดอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยไอ้ผู้รู้เนี่ยเดี๋ปู่เชินว่า ผู้รู้ น, นั่นแหละเป็นพระพุทธผู้รู้ น, นั่นแหละเป็นพระธรรมผู้รู้ น, นั่นแหละเป็นพระสงฆ์พุทธท่พูดอย่างนี้ถึงสามครั้งครีแรกผมก็ไม่เข้าใจอยู่ๆมันก็เข้าใจปิ้งขึ้ามาถึงใจอ๋อตัวเราที่ตัวเราเนี่ยที่ถูกดูรู้เห็นอยู่ทุกขณะปัจจุบันเนี่ยกำมังมีอาการทางกายมีอาการทางใจอย่างไรมีความรู้สึกมกคิดอารมณ์อย่างไรตัวจะเป็นกุศลน่กุศลเป็นบุญเป็นบาปเป็นดีเป็นชั่วเป็นรักเป็นชังหรือขณะนั้นเจวดับในทางเป็นราภดับดับดับขึ้นมาในใจกับใคร ก็เป็นเรื่องของโลกเพราะตัวเราเป็นโลกเป็นกิเลสกัญหาเราก็เกิดมาด้วกิเลสกัญหาของพ่อกับแม่จี่เกิดมาเป็นเราได้แล้วตัวเราเกิดมามันก็เป็นตัวเราก็เป็นโลกเป็นกิเลสกัญหาทั้งตัวมันกแวบไปแวบมาแวบไปแวบมาตามความเคยตัวเคยใจมันก็เดี๋ยวเป็นเกิดเป็นเป็นเมื่อคิดปลงแต่งในทางที่เป็นกุศลตั้งอกุศลบ้างใจเป็นของธรรมดาพอะเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาผิดธรรมชาติ อันน er, ั้นเราบรุกไม่ได้เราจะเครียดกับมันมากเลยเพราะเราคิดว่าม SI ันเป็นเรื่องของไม่ธรรมดาเราเริ่มเป็นธรรมชาติแล้วเราก็จะเครียดกับมันมากเลยเราเราพยายามจะทําให้มันอะชิบแตะที่เป็นฝ่ายผู้สนอย่างเดียวไม่เป็นอาผู้สนเลยคือลาภจะต้องไม่เกิดเลยโทสะต้องไม่เกิดเลยความหงุดหงิดความกล้าลำพังใจจะต้องไม่เกิดเลยที่ตกกังวลใดๆจะต้องไม่เกิดจิตไม่ผ่องใสก็จะต้องไม่เกิดคือมันจะต้องเกิดฝ่ายผู้สนอย่างเดียว แต่เราหารู้ไม่ว่าเ่อกี้เราทำเช่นนั้นเราเริ่มติดด really so so well, so, ีแล้วติดฝ่ายกุศลอยากให้มันเป็นกุศลอย่างเดียวเราไม่อยากให้มันเป็นอาคุศลเลยเราติดทั้งอย่างและไม่อยากความจิงเราเป็นตัณหาตลอดเวลาปฏิบัติไม่ได้ตัณหาตลอดเวลาเลยเราไม่รู้ตัวพรานั้นเลยมาเข้าใจอ่าตัวเราเนี่ยทั้งตัวเนี่ยทั้งร่างกายจิตใจมันก็เป็นโลกคือมันเป็นสังการตุ้งแต่งไงมันเป็นโลกโลกก็คือสังการตุ้งแต่งมันเป็นโลก มันก็เป็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนแปลงไปเสื่อมไปมีความเกิดขึ้นเรื่องต้นมีความเสื่อมไปในช่วงกลางมีความดับไปในที่สุดเดี๋ยวก็เกิดใหม่อีกแล้วก็เสื่อมไปแล้วก็ดับไปทั้งร่างกายทั้งความรู้สึกในทคิดอารมณ์เพเป็นอย่างนั้นเนี่ยมีความเป็นกลางการต้งแต่งที่ไม่เที่ยง เ, เกิดขึ้นแล้วก็คงแต่งแต่ควรเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาด <Grand ừng> ี๋ยวถ้ามันปรุงแต่งแต่ฝ่ายผู้สนอย่างเดียวมันก็ไปเป็น จะมีป no. uh ุ huh. ่แต่งสายกุศลอย่างเดียวแล้วกับปุ่แต่งทางอกุศลจะให้ปุ่มแต่งมนจะทสุขอย่างเดียวนั่นก็เป็นทุกข์มันต้องกลับต่อเปลี่ยนวนเวียนกับอไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาเราจะไปเลือกไม่ได้บังคับก็ไม่ได้เราจึงได้แต่รู้แต่แต่วรู้รู้แต่แต่ารู้ใผู้ทธิมารู้ร่างกายจิตใจเราตามดูตามรู้ตามเห็นร่างกายจิตใจเราอยู่ตลอดเวลานั่นแหนะคือพรอพูดคือพระธรรมคือพระสงฆ์คือครูบาอาจารย์พระหลานที่เราก็รบกวนถือ คือทางแห่งมรรคผลนิพพานเราก know, ็ให้รู้ตอกตะวัรู้รู้ตอตะวัรู้นั้นต่อกตะวัรู้ร่างกายจิตใจเราอยู่เฉยๆอันนั้นแนี่ยถ้ากับเราถ้เรารู้ตอกตะวัรู้รู้ตอกตะวันรู้เรื่อยเท่ากับเราเดินทางมรรคผลนิพพานในทางเส้นเดียวกับพุทธเจ้าพระพามพระอริยสงฆ์พระราหันนะร่างกายจิตใจเราตัวเราเนี่ยเขจะคิดดีคิดเท่คิดบุญคิดบาปคิดคือผนอกุศล เราไม่ต้องไปตำหนิมันเลยเพราะว่าถ้าเรายอมรับกแปลว่ามันเป็นโลกมันเป็นสังข า, ารปุ่มแต่งมันก็ต้องปุ่แต่งไปทั้งดีทั้งชั่วทั้งตุกทั้งตุกทั้งบุญทั้งบาปทั้งผู้สอนหน้ ส, สถ้าเรายอมรับแบบนี้ถ้าเราเราก็สบายใจมันจะคิดยังไงก็เรื่องของมันเราขออย่างเดีวยวจะตามใจมันอย่าเพลินใจไปกับมันคือตามใจคือเพลินใจไปกับมันปอให้มันคิดแล้วแบบอามใจมันแล้คิดแล้วมันคิดอีคิดยืดยาวไปแล้วก็คิดชวนคิดตามมันไปเลยอย่างนี้เรียกว่าตามใจกิเลส แต่ถ้าเรารู้ทันแล้วรู้ทันแล้วก็แล้วไปรู้ทันแล้วก็แล้วไปรู้ทันแล้วก็แล้วไปแล้วเกิดคิดเป็นเป็นอกุศลอะไรคิดน่นเป็นบาปอะไรแล้วก็รู้ทันแล้วก็แล้วไปมันคิดเป็นอกุศลนึงอะไรเรารู้ทันแล้วก็แล้วไปรู้ทันแล้วก็แล้วไปเลยเราก็มีหน้าที่รู้เท่าทันหรือรู้กับการรู้รู้ท่าทันไปเรื่อยๆในความตึกในคิดปรุงแต่งของตัวเอง เราก็รู้ต่อตวรู้รู้ต่อตวรู้ปรไปเรื่อยๆแล้วก็ดูตามดูตามรู้ตามเห็นที่ใจเราไปตามความเป็นจริงรู้เห็นตามความเป็นจริงไม่ตามใจไม่ตามใจแล้วไม่เข้าไปหักหารกดข่มบังคับในการดูรู้เห็นไปเรื่อยๆแต่เมื่อไรถ้าเรามีความรู้สึกว่ามันง่วงซึมเฉย ๆ, ๆละเหนื่อยๆอย่างนั้นเอาพุโทโธขึ้นมาเรอวๆอย่างเงี้ยรู้มองไปรู้ลงาไ้่ใจเข้าออกไม่ได้เรื่องอะไรอย่างเงี้ย ช้าไม่ทันถ้ากําลังนั่งดูดูดูไปยิ่งกินอู่อมไปอย่างนี้นะมันคนคพ่าจะเข้าสาเลยนั่งดูดูไปเหนืยเหนื่อเดี๋ยวก็หัวประงกป๊อกหลับมาทะลบผมแหละอย่างนี้แล้วก็ต้องพุโทโธเร็วๆเลยรู้เราไม่ใจไม่ได้เรื่องอนะ่ะต้องพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธพุทโธเร็วๆในการดูรูเห็นจิตใจตนเองพุโทโธรวดปืนกลเลย พุทโธพุทโธุทธุทธุธุมันทต้องออกเสียงนะแต่ถ้าง่วงมากมันหนักเข้าพุทโธออกเสียงเลยแต่ปกติม่ต้องออกเสียงมันจะรู้รู้ว่าจิตมันกำลังคิดอะไรอยู่คิดพุทโธอยู่ถ้าไปออกเสียงถ้ามันเป็นพูดแต่ถ้ามันง่วงมันหนักเข้าก็ต้องออกเสียงรัวไปโกลพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเพราะง่วงมากนะหรือมันซึมเศร้ามากหรือว่ามันซึมเศร้า กิจใจสึนเศร้าเจ้าหมองมากๆมัวไปนั่งรู้อยู่เฉยๆอย่างเงี้ยไม่ไหวมันไหลแล้วมันไหลไปจนซึนเศร้าแล้วอย่างงี้ท่านต้องบริกรรพุทโธออกเสียงเลยดังๆพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธออกเสียงดังๆเลยเร็วๆไปลงท้าเป่าไบวิ่งเข้าวิแล้วก็พุทโธเร็วๆถ้ามันซึนเศร้ามากๆนั้นน่ะแต่ลงท้าเป่าไบวิ่งให้มันแตกแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธ ใออกเสียงดังๆบกรุทโธุโพุโุโเร็วๆมันเพ่กลคเน่ะวิ่งมันไปกลับไปกลับไปกลับไปกลับจนเหนือแต่จนเหนื่อหอบแย่ๆแย่ๆเจอไอ้ซึมเศร้าแล้วก็หายองอันน้นใชนใ้ที่มีความทุกข์ความเครียดมากซึมเศามาต้องออกเสียงบริกรรพุโธดังๆแล้วก็เร็วๆรวดัวกลจนกระทั่งเหนื่อยมากเลยอย่างก็ไอ้ที่ซึมเศร้าเศร้าหมองจิตไม่ปลอดใสแล้วก็หายมดเองมันต้อง ฉลาดครับเราต้องนคนฉลาดในอุบายของตัวเราเองว่าขนาดใดเราควรจะได้อะไรทําคนฉลาดเนีครูบาอาจารย์บอกว่าอไหมดูดมเาออราไม่ใจเขาออกเรารู้เราไม่ใจเขาออกเรื่อยไปก็นั่งหลับทุกครั้งก็ไม่ได้ผลอะไรบางทีมันให้บริกรรมบอกว่าบางคนบ่นบริกรรมพุทโธเร็วๆบ็กครูบาอาจารย์บอนว่าบริกับมพุทโธเร็วๆเหมือนตืนกลัวขณะนั้นจิตมันเป็นปกติแล้วมันผ่องใสเบิกบาน ก็ยังบริกรรมความบริกรรมพุทโธเร็วๆวนกลวนพุทโธพุทโธพุทโธพุที่ใส่เขาไปก็อัดแน่นทั้งหมดก็ไม่เข้าใจถ้าวิจิตนเป็นปกติปลองไปแล้วก็อาจจะวางความบริกรรมพุทโธลงหรือจะรู้จิตใจตัวเองอย่างเดียวไปก็ยังได้ถ้าเรามีสติมันคงก็ให้มีสติดูรู้เห็นจิตใจของตัวเองไปเรื่อยๆหรือจะมีทาบริกรรมพุทโธกำปรับสติไว้ก็ได้ไม่ต้องบริกรรมพุทโธเร็วเพราะว่าขณะนั้นจิตไม่ได้ฟุ้งซ่านอะไรจิตมันเป็นปกติแล้วเราก็มี บริกรรมพุทโธกำกับสติในการดูรู้เห็นจิตใจตนเองไปหรือถ้าว่าเรารู้สึกว่าเบื่อที่จะบริกรรมพุทโธเราก็ไม่ต้องบริกรรมพุทโธหรืว่าเบื่อจะมีสติรู้ให้มีสติดาดูตามรู้ตามเห็นจิตใจตนเองไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราพร้อมจะไหลหรือไปแช่จะไม่รู้ตัวเราก็รู้ลมไม่ใจเขาออกไมอันถ้าเราขี้เกียจพุทโธรู้ลมไม่ใจเขาออกไม่อันรู้ลมไม่ใจเขารู้ลมไม่ใจออกแล้วก็ตามดูตามรู้ตามเห็นความรู้สึกนึกิดอารมณ์ อาการทางกายอาการทาใจความรู can, opinions, ้สึกน <mixed alive> <ora> ีกค e sure right ิดร้อนเต่างก็ตามรู้ตามรู้ตัวเนือยไปเรื่อยเรืยรยรู้จบแต่ว่รู้รู้จบแต่วรู้รู้ต่ว่ไม่เผลอเพลอเลยไม่เผลอเผลอหรือไม่เพลินใจเกี่ยวกับอะไรเลยให้มีสติรู้ว่ามันคงในกรณีที่มีความบื่การพุทโธหรือรู้เราไม่ใจเข้าออกไว่าอะไงเนี่ยมันจะทําให้ไม่เผลอเพลอไหลไปนานเพราะว่าเดี๋ยง่ายมันจะรู้ตัวขึ้นเองอย่างนี้ให้ฝึกอย่างนี้ให้มันต่อเนื่องไม่ขาดสาย พดไปเรื่อยๆน้ต่อเนื่องไม่ขาดสายว่าจะหน้าปีการงานภาระกิจประจําวันแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆให้ต่อเนื่องกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยน้อยทำความเพียรนอยมากโดยเฉาะมื้อเย็นเนี่กินน้อยนอ น, น, อ น, น, อำำน ม, มืนนนนนนอม้อเย็นกินมากง่วงอีกมานั่งง่วงือนตั้งวันเนี้ยตั้งวันนี้จิบอิ่มขึ้นมามานั่งนั่งง่วงดูลุ่เห็นไม่ได้นานหรือไม่ได้เรื่อง แค่ผมในอุปสรรคในการปฏิบัติตอนเที่ยงเทียงเพราะว่ามันกิตอิ่มมามันเป็นช่วงเวลาที่พักก่อนมานั่งปุ๊บหลับเลยแล้วมัจจุบันกระซุมเซาไม่ปาดเตี้ยวสติแล้วม่ันญะมันก็ไม่ตื่นตัวมันสู้พวกที่ไปปฏิบัติตอนกลางวันกลางคืนกับผมไม่ได้อยู่สุขสาวทิศทุตสาบันอย่างสามแพร่งเจ้าก็เปิดให้สุขสาวทิศไปปฏิบัติ ทองวันทั้งคืนคือาไปทาปฏิบัติที่วัดหลวงปู่ท้าก็อยู่จนวสว่างเลยอาทิตยปดีก็อยู่จนสว่างนั่งจนถึงสว่างเลยแล้วก็ลุกไปทำกับข้าวถวายหลวงปู่เช้าไม่ได้นอนเลยอยู่อย่างเงี้ยสมาิมันต่อนเนื่องดีอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนสมาิมันต่อนเนื่องถ้าพวกเรามาแค่ตอนเที่ยงเที่ยยงเงี้ยมันก็จะได้ผลเท่าไหร่แต่ก็ได้ไปอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยพากันไปนปฏิบัติสุขสาอาทิตย์ ไปกินนอนอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะทั้งวันทั้งคืนไปปฏิบัติอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยก็อยู่ไว้ได้ยาวเลยให้ยึสติด ต, ตามดูตามรู้ตามเห็นจิตใจของตัวเองไปทั้งวันทั้งคืนมันก็จะได้ผลดีได้ผลดีดลดกว่มานั่งตอนเช้าต อ, อนเที่ยงพอาตอนเที่ยงกินยิมมาเลียอยงยาเนี่ยไปอยู่ร่วมกันปฏิบัติรวมกันแบบนั้นเนี่ยมัน มีความสบายได้ง่ายจินของใสได้ง่ายคนที่เคยปฏิบัติจะเข้าใจพอผมสักเห็นดูอย่างพกที่มาวันศุกร์ตั้งแวันศุกร์พอเลิกวันศุกร์เจอการเลิก ง, งานแล้วไปเจอกันวันศุกร์แต่ละคนหน้าดําครับเพราะมันทั้งเดือนมาเจอกันทีบางทีเงี้ยวันศุกร์เจอการหน้าดําคล้ำมากไปได้เรื่องดาวใดๆภายในใจตนเองแต่พออยู่ๆไปอ่ะ ดึกๆดื่นๆคล่อนคืนหรือว่าไม่ได้หลับได้นอนจนถึงสว่างพอถึงมันใกล้ๆสว่างหรือวันเสาอะไรนี่เงี้รู้สึกว่าแต่ละคนหน้าตาตองสายใจเบิดตาเป็นแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็เราก็ตั้งเสเก็บไว้ให้ดีให้มันคงตามดูตามรู้ตามเห็นความรู้สึกนวคิดอารมณ์อาการ่างาตาการบรจัยไปเรื่อยๆจบตะบดูจบตะบดูจบตะบะรู้จบตะบะเห็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ทําได้ง่าย ทำได้ง่านก็ต่อเนื่องจะพัฒนาเร็วข้ามหนาึ่งปหาโอกาสบ้างแต่คนที่มีครอบครัวม่รูกจะเล่นจะลําบากเพราะว่าก็นายเห็นใจเพราะถ้ามีครอบครัวมีลูกจะพากันไปตลอนตลอนไปง่ายยากนายเห็นใจนก็ต้องผลผลเอาโอกาสน้อยแต่ก็ุกคนได้มาก ก็อย <S ess IS> ่างนี้ยครับอยู่กันก็ตามดูตามรู้ตามเห็นจิตใจตนเองสงสัยก็ถามอย่างเงี้ยผมก็คุยก็ถามถามแล้วก็อยู่เดินบ้างนั่งบ้างแล้วก็ถามดีก็คุยกันบ้างวกที่อยู่บางคนก็คุยกันก็กินบ้างอะไรบ้างแล้วแต่แล้วแต่ใครบางคนก็อยู่ทำความเพียรนั่งอยู่เงี้ยบางคนนั่งอยู่จนสว่างนั่งดูรู้เห็นจิตใจตนเองผมก็เดินดูรู้เห็นจิตใจตนเอง บางคนก็คุยบางคนก็กินก็แล้วแต่ว่าตัวใครตัวมันเขียนมากเลยมากเขียนน้อยได้น้อยแล้วก็สงสัยก็มาใส่ถามพอมอยู่กับผูบาอาจารย์ทั้งนทั้คืนอยู่แล้วนี่สงสัยก็มาใส่ถามเรามันกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยๆทำความเพียรสงไปมาใส่ถามให้ต่อเนื่องแบบนี้ก็ก้าวหน้าอยู่แน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้อยู่วันทั้งคืนกินทั้งคืนคุยกันทั้งคืนก็ไม่ได้ผลอะไร ก็มีหลายพวกว่าก็คือไปก่อนเดี๋ยวก็ไม่กี่อยู่อยู่ยไม่เท่าไหร่ก็นอนแล้วไปนอนหมดแล้วก็มีบางพวกที่อยู่เกียรตสงศ์ ส, ส ว, ว่ามงมันก็จะได้ผลแต่ก็ย่างว่าเนี่ยพอเลิกเลิกปฏิบัติในวันศุกนเสาร์ทิ้แล้วกลับไปบ้านก็มันก็กลับเป็นคนเก่านี่อีกปัญหาหนึ่งคือพอพอเลิกปฏิบัติันศุกเสาร์ทิ้แล้วกลับไปบ้านไปอยู่บ้าน กลับมาเป็นคนปกติเลยคือเหมือนคนไม่ได้ฝึกจิตใช้ชีวิตอยู่ตามปกติเลยอยากจะคิดอยากจะพูดอยากจะทําอะไรก็เป็นไปตามปกติลืมเลยว่าศาึกษาไปฝึกฝนมาเพลี ย, ยมนมาแต่บรรดุน ค, คนสาวที่ไม่ไหลับไมไ่นอนแล้วกลับคืนตัวหมดเลยมันคืนตัวหมดคืนไปหาครูบาอาจารย์คืนตัวหมดนะซึ่งการเป็แบบว่าไปคิดจะพูดจะทําอะไรก็เป็นปกติไปหมดเป็นเป็นเหมือนคนไม่ได้ฝึกจิต แล้วพอมาเจอกันใหม่อีกทีหนึ่งเดือนหนึงมาเจอกันหนหนึ่งหน้า <S <S ดํามันอย่างงั้นก็การปฏิบัติแบบนั้นมันเหมือนกับเสียเวลาเปล่ามากเลยที่ดูเรื่องุตสาหปอดหลับอดนอนทําความเพียมมาทลางคืนกลางวันถูกสาวทิพย์พอเสร็จจากตามปฏิบัติแล้วเข้าคอร์สแล้วจัดจการเข้าคอร์สอบรมแล้วกลับคืนเป็นคน ปกติมันไม่ได้ตัวจิตแต่คิดเดียวพูดเดียวทแล้วก็เป็นไปตามปกติอย่างนี้มันก็เสียเวลาเปล่ากันมากเลยกับน่าสงสารและน่าเสียดายความเอียนที่เปียนมาทั้งคืนทัน้งวันแล้วก็ผลท้ายก็ปล่อยทิ้งไปจงนี้เห็นทางกันบ่อยพำนองทำทำทเสร็จแล้วก็วางทำนองทำนองเสร็จแล้วก็วางน่าเสียดายน่าเสียดายข้าของที่ทําอยู่ถ้าเป็นข้าของก็คือน่าเสียดายที่ทําของเสร็จนี้อะจับใหม่ทํำนั่นจับใหม่ไม่ไม่ไมปอีกเป็นอันไม่ไม่เรื่อยเป็ลาวได้ที น่าเสียด้ยเข้าของมืงแล้วทอะไรแล้วก็ทิ้งิ้งกว้างๆมันเป็นอีกหนึ่งอันไม่จบสิ้นสักทีจะทํารื่เสร่ยก็ไม่เสร็จสัก็คือดูๆแล้วก็น่าเสียดายจริงๆบผงคนมึนงต น, นั่งส ม, มาธิบอกให้นั่งส ม, มาธิบอกให้บริกรรมพุทธโธดูเรเหองจิตใจตนเองก็ทําเฉพาะช่วงที่อยู่ต่อหน้าผมก็ไม่นานอย่างเกงก็ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนี้ถือว่านานแล้วถ้าถ้าวคนสมัย ใ, ใหม่ก็ เก่งก็่วโมงหนึ่งแต่พอหลังจากชั่วโมงหนึ่งแล้วออกมาเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยคือออกมาหลังจากชั่วโมงออกมาแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนอุิสรรคเดิมๆเลยทุกอย่างเลยคืออ่อไปยุ่งบุญวาเขาหมดเลยยุ่งบุญวายคนนั้นยุ่งบุญวายคนนี้ยุ่งบุญวายคนนั้นอะไรอย่างนู้นตีอย่างนี้ติอย่างนั้นติอย่างโน้นติอย่างนี้ตีอย่างนั้นได้อะไรเลยเอ่ไปยุ่งบุญวายเขาหมดเลย อย่านี้สิอย่าพูดสย่าทำสิอะไรเลยยุ่งแล้วเครียดเตหมดเลยคือสันติมันอย่างไไม่น่าเอาความเครียดมาผ่าตัวเองไม่ได้อะไรเลยบ่นไปบ่นคนนั้นบ่นนี้เชื่อคิดคิดแทนเขาก่วงใยเขาอะไรเขาอะไรทาไมมันงี้ทําไมไม่อย่างงี้ทําไมไม่อย่างนั้นอย่างนี้ติเย็อยุติทำไมอย่างี้อะไรทำไมทำอย่างนี้อะไรผมบอกว่านั่งดูดูดูดูทำไมอย่างนี้คือเป็นผู้ประกจิตารเฉพาะตอน มานั่งบริามพุโทโธแต่หน้าผมว่าให้กี่นาทีหลังจากนั้นเน่ะใช้ชีวิตเป็นปกติเลยใช้ชีวิตเหมือนที่เคยเป็นเคยทุกข์เคยเครียดอย่างไรเคยมีอุณิสัยอย่างไรเหมือนเดิมเลยกลับมาเหมือนเดิมทุกประการเลยแล้วยิ่งเครียดมากขึ้นอีกเพราะว่าเอาตอนมาปฏิบัติต้องเหมือนถูกกดข่มบังคับเอาไว้พอออกจากสมาธิได้ระเบิดจริงจังเลยร <c oughs> ะเบิดลง มันก็ถกดกดบังคับไประเบิดลงยิ่งระเบิดใหญ่พอเราดูพระมากาเท่าบอกว่าโอ้ยทําให้ก็ดีแล้วบริการพุโทโธให้ก็ดีแล้วเดี๋ยวตลายเป็น ง, งานได้อีกกัาว่าลงมือนั่งปฏิบัติสมาธิลงมือบริการพุโทโธเป็นงานขนาดนั้นเป็นการทํางานเมื่อนั่งทํางาน เมื่อไรลงมือนั่งหลับตาลงมือนั่งสมาธิลงมื อ, ม อ, ม อ, มอรบริกรรมพุทโธขนานั้นทํางานแล้วทํางานก็เครียดตลอดเวลาเลยในการทํางานทํางานบริกรรมพุทโธเป็นงานเครียดมากเลยเมื่อไรจะหมดเวลาทีเลลลืมตายแล้วนะเมื่อไรจะหมดเวลาทีมันแหมมันไม่นานจริงๆเลลอยู่ในแหนมเพียงในกาผูกกระตั้งไว้เมื่อไรทุกทีไม่เคยนานขนาดนี้เพราะวันนี้มันในกาผูกประตั้งมันแหมไม่กริงก็ทีพมืทีอทุบไปตักไว้แบบทุบบดดอกแล้วก็จะเลิก เออเหล่ตาดูเอ้วันนี้มันไม่ไม่ไปเปถึงครึ่งดอกผู้ที่มันแป๊บเดียวหมดดอกเลย mm. มันต้องเปนานอย่างนี้กลายเป็นว่ามาปฏิบัติเอางานไม่ได้อะไรแบบนี้น่าเสียดายเวลาทั้งคนสอนและคนปฏิบัติเวลาที่ผ่านไปน mm. ี่ท่านก็ปฏิบัติเนี้อย่าปล่อยเสียเวลาทั้งตัวท่านเองทั้งทั้งผู้สอน กินน้อยพูดน้อยกินนอนน้อยกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยๆ้อยความเปลี่ยนมากพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเราตามดูตามรู้ตามเห็นความรู้สึกไม่กิดอารมณ์การตัณตการัณ迦จะนิดเดียวให้มีคําบริกรรมพุทโธกากับสติในการดูรู้เห็นจตัณ迦ตนเอง